อนี้ไป็นกาใส่หูเครื่องช่วยฟังอ่ก็ฟังทำกันเป็นส่วนประกอบ ก, บกับการศึกษาปฏิบัติที่เรากำลังทำกันอยู่ชีวิตเรามัเก็มีสูตร ย่าเบื่อน่ายต่อการศึกษาการปฏิบัติให้มันรู้ให้เห็นแก้งตามความเท็จความจริงอย่างไรพิธีปฏิบัติแล้วก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงสองสนเอาไว้ในพระสูตร ไม่ใช่เราคิดขึ้นมาแล้วก็ทำา้ด้ทุกชีวิตทุกคนอย่างที่เราสอนกันอยู่ทำกันอยู่กอนมีสติก็ประกอบให้มันมีไม่ใช่ชิดๆเลือกเลเอาวาที่ออกมาประกอบให้มันมันก็มีอยู่เราก็รู้ไปตามรูปที่มันมีอยู่เช่นกายมันก็มีอยู่ สติมันก็มีอยู่ก็ออกมาศึกษามาให้มันเห็นแต่มันกระทำให้เกิดขึ้นเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือไปเรียนรู้อะไรวิชาการต่างๆแล้วก็ถอดฉีดถัดเขียนตั้งตา ก, ก็ดูท่องเขียนก็เขียนมีความใส่ใจกับการกระทำนั้น ก็ไก่ขอไข่ึกษาวิธีใดวิชาการอดายต้องมีการกระทำทั้งกายทวารต้งมือต้งตาต้องความรู้สึกคิดเนืกไปด้วยจนช่วงนี้จำนานในวิชาการด้านนั้นนนันมาเป็นอาชีพ สะดวกง่ายบางคนไม่ศึกษาอะไรเลยก็ไม่ทำอะไรทำอะไรไม่เป็นเลย่างเขาเรียนการช่างศิลป์ช่างศิลป์หลวงพ่อกลมนั่งอยู่ไม่ถึงห้านาทีเขามาเขียนเอารูปหลวงพ่อกลมแป๊บเดียวก็เหมือนหลวงพ่อกลม ก็ปากเดียวติดส่อันเดียวเขียนรูปขึ้นมาเป็นรูปหลวงพ่อกลมเหมือนหลวงพ่อกลมแต่คนที่ไม่ได้หัดก็ทําอะไรไม่เป็นเขียนต้นไม้สักต้นก็เขียนไม่เป็นอันนี้กีวิตของเราก็เช่นกันอ่ามันหลงทําให้เป็นวันลุกทําให้เป็น ต่อค่าพวกขายแม่ค่าแม่ขาขยก็ชำนานวิชาเอาไล่ชนาชำนานวิชาทำนาวางแผนได้ทำอยู่กี่วันกี่เดือนจึงสำเร็จตอนต้นก้ากี่ สังเีถุงคำนวณใส่ถูกต้องปับ๊บเวลาทำคำนวณน้ำในเนื้อนาให้มหนเหมาะพอดีถ้ามันแรงก็คำนวณไว้แล้วถ้ามันท่วมก็คำนวณไว้แล้วเปิดตร ง, งไหนปิดตรงไหนอย่างไร ก็ทำได้สำเร็จลาข้าวโขลข้าวงามขึ้นคำนวณจะได้จี่ร้อยจี่พันถังคำนวณจะเอาตอกประมัดจีเส้นคำนวณคานวณนาข้าวที่อยู่ในนาคำนวณยุ่งฉางที่ใส่ข้าวองจะไม่พอต้องทำ จุ้งตอมส่งเพิ่มกันอีกอันนี้ในชีวิตเราก็มีสูตรจิตเจรุนิจิตเจรุนิในภาษาปรมัติษฐ์ภาวะธรรมจิตก็คือจิตเจตเจคือเจตสิก เจตสิกมันเกิดจากจิตเหมือนคลองมันแขวนอยู่มันก็มีเสียงถ้ามีอะไรสัมผัสถ้าไปตีมันก็ดังถ้าไม่ตีมันก็ไม่ดังดังไปเสียงคล่องเสียงะระฆังเสียงกรองตามรูปแบบของเขาจะเรียกกลองเป็นละคังก็ไมได้จะแจงละคังเป็น แล้วครั่งเป็นห้องก็ไม่ได้จิตเจรู้รู้รู้คือรูปรูปคื อ, รคอเรามีอยู่คือกายที่เป็นนุ่นเป็นก้อนไม่มีอยู่นี้ก็คือนิพพานมันมียอยู่เพื่อนิพพานนี้จิก็ดีเจก็ดีรู้ก็ดีเพื่อนิพพาน จิตจะถูกต้องเมาใช่มีลูกมีเจตสิกมีจิตเอาไว้มีปัญหาถ <c oughs> ้าเราไม่ศึกษาก็มีปัญหาเรื่อยไปจึงมาศึกษาในจิเจโุนินี่เป็นภาษาปรา ม, มัตนี้แล้วก็มีอยู่ในจิเจโรนินี่ไอมันเห็นแจ้ง ในกายมีจิตถ้าว่าโดยง่ายๆในกายมีจิตใจมันก็เป็นรูปเป็นนามตามความเป็นปจริงถ้ารูปนามเฉยๆไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมีแต่มีโทษมีปัญหาเป็นภาระต่อรูปต่อนามถ้าเราศึกษาก็เห็นเป็นรูปเป็นนาม ตามความเป็นจริงปัญหาที่เกิดจากรูปก็เป็นมัญญาภาละที่เกิดจากรูปก็หมดพระละหลงปงลงวังลงน้าก็เช่นกันตอนี้ลูกดา ม, มากำลังเถื่อนอยู่มันจะเป็นอย่างไรแล้วแต่เหตุปัจจัยบางทีมันก็สุขบางทีก็ทุกข์ อนอ น, นไม่ได้ศึกษาให้ความทุกข์เป็นความทุกข์ให้ความโกรธเป็นความโกรธหรือว่ายังไม่ได้ศึกษามันเป็นรูปเป็นก้อนอยู่มันจะไม่สําเร็จประโยชน์สําหรับเรามีรูปมีนามเราจะมาศึกษามาถ Lung การศึกษาคือมีสติถ้ามีสติมันก็เถื่อนรูปนามนี่มันเถื่อนถ้ามีสติก็จับรูปจับนางมาใช้ให้สำเร็จประโยชน์ให้เป็นนิพพานใช่าเราต้องฝึกหัดอันนี้มันเป็นมันไม่เป็นไปเอง แต่สิ่งที่มันเป็นไปเองมันก็มีสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามตามที่จีเยรู้นี้มันก็ไม่สําเร็จเราก็จะมาหัดถ้าสิ่งที่มันเป็นไปเองมันก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ตัวตน เมีความเกิดเป็นธรรมดาเมีความเกิดเป็นธรรมดาเมีความเกิบเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่ช่างยอมรับลองให้เป็นทุกข์เพราะการทัดภาคเกี่ยวของเลิของชอบใยทั้งหลายเราทําดีก็ดีทำชั่วก็ชัว่ว ได้อยู่ในความแก่ในความเจ็บในความตายมันก็ไม่เป็นทุกข์มันมีนิพพานอยู่ในความแก่ความเจ็บความตายในความแก่มันก็เป็นนิพพานได้ในความเจ็บมันก็เป็นนิพพานได้ในความตายก็เป็นนิพพานได้ ถเราไม่ศึกษาในความแก่ก็เป็นทุกข์ในความเจ็บก็เป็นทุกข์ในความตายก็เป็นทุกข์เราจะต้องยอมรับในริงเหล่านี้ไม่ได้ในพระธรรมเป็นธรรมเครื่องออกกจากทุกข์เพื่อให้เราศึกษามันมีอยู่ ตรงนี้เราปฏิเสธไปได้ว่ามันเป็นส่วนตัวของใครของเราอยู่นิ่งไปได้ประมาทไปได้ถ้าจึงพากันมาประกอบความเพียรไม่สติดูเลยจับลูปมาใช้จับนามมาใช้ให้สำเร็จประโยชน์เวลามันหลงใช้มันในความรู้เวลามันอะไรเกิดขึ้น ที่มันเกิดจุรวนกองรูปของนามนี้ให้มันอย่าให้มันมีโทษให้มันเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่แก่ที่นี่ลูปมีนามให้มันเป็นนิพพานสูงสุดในรูปนามให้มันมีนิพพานอยู่ที่นี่ด้วยถ้าไม่มีรูปมีนามมันไม่มีนิพพานถ้าไม่มีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางก็ไปสู่ อบายภูมิอบายอบายปัจจุบอบายเป็นภูมินี้ไม่เจริญเป็นเปตเป็นสุรกายเป็นสัตาโลกเป็นไรชานไอ้รูปนามนี่ถ้าเราศึกษาเป็นมรรคผลนิพพานจะเริ่มต้นจากภาวะที่รูนี้ให้เห็นง่ายๆเห็นรูปเห็นกายเห็นเห็นนามเห็นความรู้อะไรได้ รู้ผิดก็เห็นรู้ถูกก็เห็นในสติมันเหนืออะไรหลอกสติไม่ได้ถ้ามีสติความหลงก็หลงไม่ได้ความทุกข์ก็หลอกไม่ได้ความโกรธหลอกไม่ได้ถ้าไม่มีสติมันก็หลอ ก, ค ว, ล ค, ว ก, ลอกความทุกข์หลอกความหลงความโกรธความทุกข์หลอกสารพัดที่มันหลอกหรือ ว, ว่าธรรม เราจะม า, าเป็นใหญ่ในรูปในนามนี้เป็นใหญ่ได้ให้รู้ให้เห็นไม่ต้องเป็นอะไรไปตามอาการธรรมชาติของรูปของนามมันมีที่ที่ไม่มีภัยถ้าไม่ดูมันก็มีภัย เราเห็นแจ้งมันก็ไม่มีแพรลายเราใช่ยตาวะที่เห็นนี่เป็นการเป็นที่อยู่เป็นการที่มีชีวิตตาวะที่เห็นนี่เรียกว่ามีชีวิตตาวะที่เป็นไม่ใช่ชีวิตเห็นทุกขเห็นทุกข์เรียกว่าชีวิตเป็นผู้สุขไปทุกข์ไม่ใช่ชีวิตแล้ว มันเป็นอันอื่นไว้แล้วเราเป็นจิตทิที่ไม่เป็นอะไรจิติที่ต้องไม่เป็นอะไรไม่เป็นผู้แก่ผู้เก็บผู้ดอยที่ว่าถึงนอกขกุนิพานแจงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไปตามอาการต่างๆที่มันไหลไปตามเมตตามปัจจัย อันนั้นมันก็ฟรีไปพลาดไปแล้วเสียเวลาไปแล้วความหลงเอาเวลาให้เกิดความหลงเลยไปความทุกข์เอาเวลาให้เกิดความทุกข์เอยไปความโกรธทาเวลาให้เกิดความโกรธเลยไปต่อไปเรื่อยๆไปเรามีสติก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทุกอย่างเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ มันหลงเปลี่ยนเป็นภาวะที่ไม่หลงได้ให้ผลได้ขลงหลงเป็นเหตุความรู้เป็นผลได้เอาเอาเหตุที่ไม่ดีเป็นผลดีระเว่าเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีแล้วก็มีงานแบบนี้ชีวิตของเราแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเราถ้ามันเป็นนี้ก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็เป็นโทษ ประโยชน์ก็ดีโทษก็ดีมันก็เป็นผลกระทบไปตามโทษตามประโยชน์นั้นๆถ้ามันดีเกิขึ้นกับผู้ศึกษาประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ต่อจึงเอืนวัตถุเอื่นเรื่อยไปถ้าไม่ศึกษามันเปนโทษก็เป็นโทษต่อ ตัวเองและคนอื่นเรื่อยไปมันเป็นส่วนรวมความดีก็เป็นส่วนรวมความั่วก็เป็นส่วนรวมอยู่อาเช่เรามีตัวคนเดียวปล่อยปละละเลยไม่ได้รับผิดชอบตัวเองหรือว่าปฏิบัติธรรมก็เริ่มต้นจากลูกอยากหลง หลงก็รู้ขึ้นมาเลยว่ารับผิดชอบแล้วไม่ปล่อยความหลงเกิดขึ้นกับในเราเดี๋ยวจะไปกระทบกับคนอื่นจะเหยือวัตถุอื่นได้เอาแจ้งไขแล้วเปลี่ยนร้เป็นดีได้ชีวิตเราชีวิตนางที่จะให้เป็นความดีเกิดขึ้นในสังคมที่อยู่ร่วมโลกได้ ถ้าเราปล่อยป่าแล้วเลยก็เป็นโทษเปเรื่อยมันนั่นปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธชีวิตเราไม่ได้เราผิดชอบมาศึกษาที่จอก็เป็นนิพพานนนิพพานคือจุดหมายปลายทางของการได้ชีวิตที่มีชีวิตอยู่ชีวิตแดง มันหมดปัญหามันวางลงความหลงเปขั้งสุดท้ายความทุกข์เปขั้งสุดท้ายเมื่อมีความหลงเป็นขั้งสุดท้ายอะไรก็สุดท้ายเรื่อยไปก็เจ็เจ็บตายมันก็เป็นขั้งสุดท้ายความทุกข์ก็เป็นขั้งสุดท้ายได้ถ้าไม่มีความทุกข์มีจะทุกข์ตอนนั้นดับไป ถ้า ม, มีความทุกข์ดับไปแล้วกเกิดจากความหลงดับไปความทุกข์ก็ดับไปเราจะมีอะไรเหลือมันก็ไม่มีะายก็เราเป็นอิสระไม่เป็นภาระมันเป็นโทษอิสระในชีวิตเราก็อิสระต่อคนอื่นไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่น ก็เกิดความสมบ่มเย็นเราจึงปฏิเสธเรื่งงนี้ไปด้จึงชวนกันมาอยากให้เป็นอย่างนี้เป็นกรรมที่จำแนกชีวิตเราเราอยู่สภาพเพียนนี้เรามีเพศอย่างนี้เรามีบรรยากาศอย่างนี้เรามีเพื่อนอย่างนี้ รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อทำความดีเป็นชีวิตร่ำต่อกันและกันเราก็ทำอันเดียวกันชีวิตเราก็เป็นอันเดียวกันแท้ๆมีกายมีใจมีรูปมีนาม ปัญหาเกิดที่รูปที่นามที่กายที่ใจแค่ปัญหาก็แค่ที่กายที่ใจที่รูปที่นามนี้แล้วก็เป็นไปเองเรี <c oughs> ยกว่าศึกษาให้มันจบมันจบได้ ความหลงก็จบได้ความทุกข์ก็จบได้ความโกรธก็จบได้ปัญหาก็จบลงบทปัญป ญ, ญาวก็เกิดขึ้นในปัญหานี้ถ้าเราหลงงังหลงอยู่เราก็ต้องมีความรู้อยู่เรื่อยไปมันสู้ความรูไม้ไปได้เราทำย่อมชนะธรรมเสมอ กรมหลงไม่จริงกลมรู้สึกตัวเนี่ยมันจริงกลัวสองผัดตรงกันข้ามต่อตั้งต้นตรงนี้นน้อ ย, อยตรงนี้แหละก้าวไปตรงนี้แน่นอนจุดหมายไปทางประตูที่เดียวกัน ไปถึงที่เดียวกันไปคนเดียวเดินคนเดียวไปอยู่ถูที่เดียวกันพระพุทธเจ้ามาถึงนาที่นั่นแล้วเธอทั้งหลายก็มาถึงที่ ไ, ได้จงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําน้ําคือสุกสุกทุกทุกทีกท่มีน้ําคือสุกคทุกเรือห้วงน้ํา ที่ไม่มีน้ำคือเหนือสุขเหนือทุกข์เหมือนเราอยู่บนฝั่งสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ในห้องน้ำแต่มันมีฝั่งอยู่เมื่อมันหลงก็มีมความไม่หลงขึ้นฝั่งความไม่หลงเมื่อมันทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์มันก็เต่ากับปลาเป็นเพื่อนกัน เต่ากับปลากันเพื่อนกันหาชิ้นไปด้วยกันทุกวันทุกวันอยู่ในห้องน้ําแต่ว่าเต่าเป็นสัตว์สะเทือนบกสะเทือนน้ําวันหนึ่งเต่าขึ้นบกไปหาชิ้นบนบกตาก็หาเพื่อนไม่เจอแหวกว่าไปตรงไหนก็ไม่เห็นเพื่อน อยู่ตลอดเวลาไม่เจอสองวันสาวันไม่เจอต่อคิดถึงเพื่อนพอเพื่อนอยู่วนบกพอดีเตาก็ลงน้ำปลาปลาก็ยังมาหาถามว่าเพื่อนไปไหนมาเล้ตามหาอยู่นี่หลายวันแล้วไม่เจอเลย แสดงว่าไม่มีเพื่อนอยู่ในห้องน้ำนี่แล้วเต่าว่าว่าเราไปบนบกบนบกที่ไหนบนบกก็เป็นบนบกที่ฝั่งโน้นป่าไม่เคยพุ้นไปอยู่บนบกสัมผัสกับบนบกไม่ได้ก็ถามเต่าย่างใส่ใจมันเป็นยังไงบนบก มันมีอาการหายใจหรือมีอันแกวกไหวไปได้เหมือนในน้านี่เลยได้หรือไปได้มันมีอาหารกินหลืมีกินเต่าเจาะที่บอยังไงให้ปลาปัาปางปลาก็ไม่เข้าใจเพราะปลาไม่เคยขึ้นไปบนบกเตาเจะที่บายยังไงก็ปลาก็ไม่รู้ จนในทีสุดก็ต้องยอมรับชีวิตของคนเราก็มืนกันถ้าเราไม่สัมผัสก บ, บนบกลองหลวเราจะอยู่ในแต่ห้องน้ําไปฉุกเป็นทุกข์อยู่อันความไม่ฉุกไม่ทุกข์ภาวะที่รู้นี่หัดขึ้นบนบกเวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้จึกตัวขึ้นให้ได้เทียบท่าให้ได้ ฉังบอกง่ายๆว่าอย่าเป็นผู้ทุกข์ให้เห็นมันทุกข์เทียบท่าได้มันฉุกก็เห็นมันชุกอย่าเป็นผู้สุกมันอ ะ, อะไรก็ตามให้เห็นมันถ้าเห็นแล้วไม่เป็นน่นมันเทียบท่าได้ง่ายๆพร้อมจะขึ้นฟังได้เตรียมตัวแล้วนี้ให้พร้อมที่สุดเลยอย่าเป็น ให้เห็นเนี่ยวิธีที่ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยง่ายๆให้เห็นเห็นกายถ้าเห็นปมันก็จะตอบได้ว่ากายสักว่ากายมันเกิดกับกายอะไรที่มันเกิดกับกายสักแต่ว่าไปเลเห็นเห็นกายในกายเห็นเวทนา เวทาคือสุขกูทุกจะเป็นผู้สุขกูทุกให้เห็นมันสุขมันทุกในความสุขความทุก์ก็เห็นแล้วไปดิสละในจิตก็ เ, เหมือนกันถ้าอะไรที่เกิดกับกจิตจะเป็นตัวเป็นตนให้เห็นมันคิดเรีว่เจตสิกเจตสิกคือสิ่งที่เกิดจา ก, กจิต เกิดอะไรต่างๆได้มากมายเกิดกำลั ง, งความชัง่งเกิดควาพอใจไม่พอใจเที่ยวเจรสิกเสียงข้องเสียงละคังถ้าเสียงของโอมาธวัดทิศชาหอตายเ้าเสียงละขันก็ไปเจนข้าวทิชลาหน้าในความหมายต่างกันทิศทางสมงดมัญญัะไม่ใช่ประมาทสัจจะ เจตสิกเป็นสมมุติบัญญัติก็มีความรักเป็นสมมุติปัญญัติความชังเป็นสมมุติปัญญัติจะไปตามความรักความชังที่ว่าปามรมาจิั จ, จะให้เห็นมันไม่ใช่มันจะเรียกให้เราไปให้เห็นถ้าเป็นทุกข์ไปทําตามความสุขเป็นทุกข์ทําตามความทุกข์ มันก็ทาได้สําเร็จมัมีกายมันมีเจตสิกมีจิตทำดีก็สําเร็จทําชั่วก็สําเร็จเรี่กว่าเป็นรูปเป็นนามหรือว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปทำเป็นนามทำเป็นรูปท ำ, ป น, ปท ำ, ปทำนามทำเกิดขึ้นเอาไปทําชั่วก็ได้เอาไปทําดีก็ได้ เอาไปละความชั่วก็ได้เอาไปละเอาไปทาความดีก็ได้เรียกว่ากรรมกรรมขอการกระทำตัวมีกรรมเป็นที่อาศัยที่พึ่งอาศัยจังกรรมมกระดิจามิเราไม่กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็ลยานัง่งบวช เป็นกรรมดีก็าตามปาปกักวั่วเป็นกรรมชั่วกวาตา็ตามตาาทาโวพาเวสันติทำดีก็ดีทำชั่วกว็ชั่วเราจะต้องเชื่อตรงนี้เราเชื่อแล้วต้องเอามากระทามันหลงก็ทำต่อความหลงยาวสุขท่องเอามารู้ แล้วว่าทำเมื่อไหรรูปทมนา ม, มนนนทำการเครื่องกระทาแล้วสาเร็จแล้วก็จึงเป็นเมื่อถึงกิจแล้วก็มีทมไม่จะเห็นมันจะเป็นนั่นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเหรอเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่เราเนี่ยมีให้เราเห็นเป็นทางขานที่เราขึ้นบกไป ถ้าเห็นเราขึ้นบกแล้วไม่เป็นเราขึ้นบกไปแล้วถ้าเห็นบ่อยเห็นป่อยก็ไม่เป็นเราขึ้นบกอ้าเห็นเทียบถ้าถ้าไม่เป็นเราขึ้นบกมันสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขอ้าวขึ้นไปแล้วการทุกข์เห็นมันทุกข์เทียบท้ไม่เป็นผู้ทุกข์อ้าวขึ้นฝังไปแล้วบนบกแล้วมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้า ขึ้นไปแล้วไม่เปิดเปื้อนไม่เปิดเปื้อนไม่ต้องโุกทุกขการโุกทุกมันเหมือนกับมุดลงไปถ้อย่าขาดก็โผล่ขึ้นมานันทบังชาติก็ช่วยเราอยู่ไม่ใช่มีใครมาโกรธจนตายทุกจนตายบางทีมันก็สางสาลงบ้างเพราะมันไม่เที่ยง ในความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวมันใช่ตนในความสุขที่เกิดจากเหตุปัจจัยก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวมันใช่ตนอย่าไปหลงมันขี้หน้ามันได้เลยบัดนี้เราลุยจากเจ้าเสียแล้วกองลวนทั้งหมดของเจ้าหักลงแล้วเห็นแล้วยอดเรื่องก็ลือเสียแล้ว รืหลงแล้วเรียกว่าอนัตตาสุญญาตาก็ไม่เที่ยงเป็นนิพพานเลยทีเดียวความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็มีบางคนบางชีวิตส่วนมากส่วนมากจะเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ต้องให้เสีอใจเพรความไม่เที่ยง ถ้าเราศึกษาขึ้นบกแล้วความไม่เที่ยงตัวนี้ผ่านแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ความไม่เที่ยงไม่ความเป็นทุกข์ไม่ความไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วแต่ความโกรธไม่เป็นความไม่เที่ยงมันไม่ควาเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนแต่ความทุกข์มันความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอะไรที่มันเป็นห่วงน้ํำล่ะมันไม่เที่ยงทั้งนั้น ไม่ควรไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นนิพพานง่ายๆเย็นน้อยๆไปนิพพานเีลมลงยังไม่ถาวรก็ยังดีเรลาหนาวก็เปลี่ยนไปเวลาร้อนก็อาบน้ำมันเป็นธรรมชาติอยู่ต้องรูจ้จอกช่วยตัวเองรู้จอกยศยกตัวเองขึ้นมา เรียว่าบรรปัยคิตผู้เห็นภัยผู้ใดเห็นภัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นบนรรปัยคิตไม่ใช่เพศนักปวดหัวโล่นโคนผมหงผ้าเหลืองหงพ่อาขาวแต่ผู้ที่เห็นภัยเทวัตระอย่างนี้เรียกว่าบรรปัยคิตได้บรญปัยคิตควรพิจารณาเนือๆว่าบันดบ น, น, น, นี้ที่ก็อี้ตรงนี้เลยต้องมีเพศต่างจากครหัตแล้ว าการกิริยาใดๆของสำนัเราต้องทามาการกิริยานั้นๆกิริยาไม่ใช่ภายนอ ก, กแค่เล้วกิริยาภายในทิ่ใส่ใจตามอาใส่บันประคิดนี่เป็นแบบฉบับช่วยเราเราห่มผ้าสีเหลืองแล้วโกนผมเราอยู่ในวัดแล้วกินข้าวกอนอยากยากหโยมขอให้มาเราก็ประมาทไปได้ อาชีวิตของเราเนื่องด้วยคนอื่นถ้าไม่ทำทุละหน้าที่แล้วนี่ก็เป็นบาปตายพระตกนรกก็มีเยอะๆตายยกเป็นเปรตก็มีเยอะๆถ้าใช้ชีวิตไม่เป็นน่ะนั่นเราจึงเห็นภยัยภยนวัตตะวัตตะคืออะไรก็ใช่เราเกิดเราตายแต่เราเกิด เกิดมาแล้ว45ปี7จีปีรอยปีตายไปอันนี้เป็นวัตจักถนึงงเราเกิดใหมอ่อีกอันนั้นก็เราไม่เห็นวันต่างที่เราจะตายก็ไม่รู้ลราเกิดยังไงเราเลือกไม่ได้อาศัยกรรมคือการกระทำกรรมดีแต่ว่าการเกิดเนี่ยมันเกิดอยู่ทุกโอกาส เกิดความสุกเกิดความทุกเกิดความลักเกิดความชังนี่เราเห็นได้เองไม่มีใครไม่เห็นเกิดสุขเกิดทุกข์ทุกแล้วทุกข์เกิดความทุกข์ร่องเก่าออกมาเกิดอีกก็มาเกิดอีกความโกรธความโลภความหลงความลักความชังกิเลสตัณหาออกมาเกิดอีกเกิดแล้วก็ดอีกลับใช่ไปอีกนะ มันก็มีการเกิดเช่นนี้ทีหยิบเลยเกิดดับเกิดดับเมื่อมีสติก็กุ้มกบเนิดคุ้มกบเนิดการเกิดเช่นนี้เรียกว่าคุมกําเนิดของการเกิดไม่ใช่กลุ้มเนิดของการผ่าตัดมดลูกคนเราก็เป็นคําคุ้มกบเนิดอีกแับนึงของ วิชาการแต่ว่าคงกำเนิดของปรมมัสสัจจะมีสติสัมปชัญญะก่อนที่คนจะเกิดมันก็เกิดอะไรก่อนเอาวิชาว่าไม่รู้ปลอให้เกิดสังขารเมื่อวิชาเกิดเครื่องงมลูกก็เกิดสังขารปุงแต่งสังขารก็มีแยแยะกายสังขารจิตสังขารเป็นกิเลสตนะหล า, าคะโกรธโลดร้องไสังขารค่อยเกิดนามลูก เมื่อมีสังขารก็มีนามรูปขึ้นมานามรูปมันเกิดอยู่บนรูปนามในนามรูปเกิดทางอาจตนาตาหูจมูกนิ้วกายใจรูปรสเสียงสัมผัสอารมณ์เป็นนามรูปเกิดทางนั้นรูปนามเกิดเทีเดียวกิจากดามารดาให้กําเนิดเกิดมาเป็นรูปนาม มันกตานก็ผ่านมาเจ็ดิบกว่าปีเกิดทีเดียวเป็นมหาปุตรูปเป็นรูปอาศัยให้รับความชั่วให้ทำความดีเป็นรูปอาศัยทำความชั่วมันก็ไม่สาเร็จประโยชน์อันนี้มหาปุตตลูกรู ป, รปนา ม, มารูปมันเกิดทียิบเลยต้องมีสติเป็นการคุบความเนิดตัวเนี้ย มาเกิดอะไรขึ้นมารู้สึกตัวชักสะพานชักสะพานถอยกลับมาไม่ต่อสะานไห้ตัวมันคิดรู้สึกตัวคิดข้างหนึ่งรู้สึกตัวข้างหนึ่งคิดหลงสองข้างรู้สึกสองข้างรู้เท่ารู้ทันคิดลอยข้างรู้ทันลอยข้างความคิดที่ได้ตั้งใจความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจ ความไม่ได้ตั้งใจเล้ว่าสังขารเป็นอวิชาความคิดที่ตั้งใจเล้ว่าวิสังขารเป็นวิชาอันหนึ่งเป็นวิชาอันหนึ่งเป็นอวิชาอาวิชาก็อเกิดตัณหาอุปทานพบชาติฉลามรณะวิชาเนี่ยมันเกิดวิสังขารเห็นไหมความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมีไหม ไม่อยากคิดมันคิดมีไหมเรานอนหาเรื่องหมาคิดมีไหมเรื่องสิบปีผ่านมาเอามาคิดมีไหมคนหนุ่มคิดไปข้างหน้าวางแผนไ่คนฉลาคิดขึ้งข้างหลังเหมือนเราเนี่ยคิดไปข้างหน้าไม่เป็นแล้วคิดถึงข้างหลังถ้าคิดนะคิดเหรอความตั้งใจคิดหรือมันลักคิด อ่ามันลักคิดไม่อยากคิดมันคิดข um, ึ้นมาเรียกว่าสังขารเป็นวิสังขารเปลี่ยนได้สังขารเป็นวิสังขารเปลี่ยนความคิดที่ไม่ตั้งใจให้เป็นความรู้สึกตัววิสังขารคือความรู้สึกตัวเนี่ยสังขารคือความหลงตัวมันไม่มากไม่ต้องไปดูตำราสังขารคือคิดแบบไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจวิสังขารคือตั้งใจคิด เราก็ไม่อยากคิดอะไรขี้เกียดด้วยซ้ำไปแต่สังขารมัคคยันนะมัคคยันเหมือนนายช่างปั้นหมอ้อเป็นอาชีพตัวสังขารเปรียบเสมือนนายพันนายช่างปั้นหม้อเป็นอาชีพหม้อจากนายช่างปั้นจะเป็นหม้อเล็กหม้อใหญ่ สวยก็ดีไม่สวยก็ดีแตกทางนั้นไม่เที่ยงคำว่ า, าหมอ้อในหม้อดินนี่แต่แตกเป็นเศษดินไปแล้วสิ่งใดเคยจากสังขารไม่เที่ยงท้งนั้นเหมอนหม้อที่เราสร้างปั้นขึ้นมาเพราะนั้นสังขารมันขยันเป็นอะไชีพอยู่มันเป็นโป้งๆตง่างๆเราจึงเป็นวิสังขาร เพาะว่าหยุดไม่ใช่ว่าประโยชน์ทําอะไรเรามำโย่หยุดปรุงให้เป็นวิสังขารเป็นวิชาทําะไรรู้รู้เจกตัวอย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยเรียกว่าวิสังขารวิสังขารเป็นนพานสังขารเป็นทุกข์เป็นเกิดเจ็บเจบตายวิสังขารไม่ทุกข์เหนือการเกิดเจ็เจ็บตายอย่างนี้ยอยู่ที่ไหนเราอยู่ในเราเนี้ย ในสังขารในมินิพาตสเพสังขาราอนิจจาสเพสังขาทุกขาสเพสัมมานัตตานี่เป็นสังขารในวิสังขารก็อยู่ที่เนี่ยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตนตนเป็นวิสังขารได้จะาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์จะาความเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์จะาความไม่ใช่ตนตนมาเป็นทุกข์ ขอมาเป็นไมพพานได้เลยเหมือนเหมือนปุ๋ยมันทำไมต้นไม้งามความดีเกิดขึ้นจากความชั่วเนี่ยถ้าไม่มีทุกข์ไม่มีนิพพานเลยถ้าไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ตัดสรู่เลยเห็นของจริงการประเสริฐคืออริสัจคือทุกข์ดีแล้วจอได้ ศึกษาใจ ไ, ไม่ยอมทุกเรีย น, น้เหตุเกิดทุกวิธีดับทุกดับไปแล้วทําอย่างนี้นัหลงมีวิธีไหมที่ไม่หลงมีไหมทาําไงทําได้อยู่เนี่ยหลงวิธีไม่หลงก็ไม่อยู่จนเลยเน่ยจนเลยแค่ไหนจนเละ หรือยอมมาหรือความหลงน่ะมีสิทธิไม่หลงไหมถ้าไมไม่ใช่สิติเราถ้ามายอมรับความหลงให้ความหลงนอนจนหลับหลัจนน้าตาร่วมน้ำตาไหลโอ้ยก็รู้สึกว่าพลาดทีจุดหนึ่งนะวันนี้ก็สมความอันจเวลากราบพระพร้อมกัน